ส่วนมากใจมันก็ขโมยหนีไปทั้งตานี่แหละตามันเปิดมัก็วิ่งออกไปทางตาเวลาที่มันหนีไปก็ช่างมันขอแค่ให้เรามีสติที่เท่าทันเราก็ดึงกลับมาไว้ที่ลมหายใจให้มันเร็ว เวลาที่มันเป็นเรื่องที่เราไม่อยากดูไม่อยากรู้แล้วก็ปิดตาไปแต่เรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องที่เราอยากดูอยากรู้มันก็พุ่งออกมาข้างนอกนะแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยากดูอยากรู้ก็ตามเรื่องที่ไม่อยากดูไม่อยากรู้ก็ตามเราก็พยายามรักษาใจเราไว้ที่ลมหายใจน่พยายามเห็นอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆ อย่างว่าแหละเวลาที่ที่มันเป็นอ่ะมันก็อยู่ที่ความคุ้นเคยอ่ะนะถ้าความคุ้นเคยเรามันยังส่งออกอยู่เรื่อยเรื่อเราก็ต้องค่อยๆปรับมันปรับมันเท่ะหน่อยสองหน่อยหน่อยสองหน่อยแต่อย่างน้อยๆให้เราเนี่ยพยายามเตือนตัวเราเองให้ได้ซึ่ง การที่เรายังต้องคอยเสียงเตือนจากคนอื่นมันก็อาจจะไม่ทันท่วงทีทุกครั้งไปแต่ถ้าเราเตือนตัวเราเองได้อันนี้มันจะรับประกันแน่นอนเลยว่าเรารักษาใจได้ดีแต่ถ้าเรายังต้องคอยให้พึ่งคนอื่น ต้องพึ่งที่จะให้เขาคอยบอกคอยเตือนเราอยู่เรื่อยๆยอันนั้นก็ยังเสี่ยงนิดหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นจังหวะที่ที่เราจะต้องรักษาใจให้มันเข้มแข็งเข้มงวดแต่เรากลับเผลอปล่อยใจออกไปมันก็ ไม่ดีต่อสุขภาพใจนะบางครั้งเราก็ต้องแยกแยะระหว่างสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ถูกต้องให้มันแยกออกจากกันเพราะว่าสิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่ถูกใจเนี่ยบางครั้งก็ไม่ใช่อันเดียวกันส่วนมากก็ไม่ใช่อันเดียวกันบางครั้งสิ่งที่ถูกต้องก็ต้องฝืนใจ ธรรมะคุณธรรมต่างๆส่วนมากเนี่ยมันเจริญได้ดีพัฒนาได้ดีก็เพราะมาจากการที่ฝืนนี่แหละฝืนทำฟังดูก็อาจจะบางคนอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยถ้ายกตัวอย่างก็เหมือนเด็กๆนั่นแหละเด็กๆเนี่ยมันไม่มีคนไหนที่แบบอยากเรียนตลอดเวลา ธรรมชาติเด็กก็อยากเล่นอยากสนุกไปวันๆอยู่แล้วละ่ะอยากจะไปเรียนหนังสือไหมมันก็ถ้าเลือกได้เล่นดีกว่าเห็นไหยิ่งสมัยนี้นี่โอ้เกมมันเข้าถึงง่ายไม่เหมือนสมัยก่อนกว่าจะไปซื้อเกมมาได้หนึ่งตลับกว่าจะเก็บเงินกว่าจะขอพ่อแม่ไปซื้อได้สักเกมหนึ่งมันลาบากลำบน ในสมัยนี้มันง่ายอยู่ในมือถือซึ่งถ้าจะให้เลือกอ่ะเด็กก็ต้องอยากเล่นมากกว่าอยู่แล้วแต่ถามว่าถ้ามันเล่นอย่างเดียวแล้วไม่ได้มาพัฒนาความรู้เลยเนี่ยมันจะเอาตัวรอดในสังคมนี้ได้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันทักษะต่างๆ ที่มันจําเป็นจะ ต, ต้องอยู่รอดในสังคมนี้บนโลกใบนี้เขาก็จะไม่ได้รับการฝึกใช่หมชั้นใดชั้นนั้นนะ่ไอทักษะต่างๆความรู้ต่างๆที่จําเป็นต้องใช้มันก็โดนบังคับนั่นแหละโดนบังคับไปเรียนพ่อแม่บังคับครูบาอาจารย์บังคับให้เรียนให้ฝึก พอฝึกทุกวันทุกวันจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่แต่มันต้องฝึกพอฝึกแล้วฝึกบ่อยๆมันก็เป็นคุณสมบัติเกิดขึ้นในตัวจากที่อ่านหนังสือไม่ได้ก็อ่านหนังสือได้เป็นต้นชั้นได้ชั้นนั้นใจเราก็เหมือนกันเหมือนเด็กเลย ก็อยากจะทำแต่สิ่งที่ชอบแต่สิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องในที่นี้ก็คือสิ่งที่มันจะทำให้ใจของเราเนี่ยมีศักยภาพที่จะแจกแจงว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์อะไรเป็นความดับของทุกข์อะไรเป็นเครื่องดาเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ แล้วก็ให้ได้คุณธรรมต่างๆอย่างเช่นความอดทนอดกลั้นความขยันหมั่นเพียรความมีเมตตาเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีเป็นผู้ที่รู้จักกตัญญูกตเวทีนี่เป็นต้นมันก็ได้มาจากการที่ฝืนฝืนที่จะต้องหัด ฝืนต้องทาฝืนที่จะต้องเรียนแต่พอทาไปทาไปมันก็ค่อยๆเป็นคุณสมบัติที่ใจขึ้นมาแล้วจะชอบหรือไม่ชอบก็จะเป็นคุณสมบัติขึ้นที่ใจของเราแต่ถ้ามันเป็นคุณสมบัติที่เราเห็นถึงผลที่ได้ว่ามันดีมันมีประโยชน์ อันนี้เราก็จะมีเกียใจที่จะพัฒนามันให้ดีขึ้นแล้วก็ทำมันให้มันมากขึ้นได้แต่ถ้าเราอาจจะยังไม่ได้เห็นผลว่ามันดียังไงเราก็ยังต้องคอยพึ่งพึ่งคนอื่นให้ให้คอยที่จะบอกเตือนบอกสอนไปก่อน แต่ถ้าคนที่มีแก่ใจที่เห็นคุณงามความดีจากการฝึกหัดปฏิบัติแล้วเนี่ยอันนั้นก็จะเบาแรงคนบอกสอนไปได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเราก็มีแก่ใจที่เราจะคอยเตือนคอยบอกสอนตัวเองอยู่เรื่อยในเมืองคอยที่จะพัฒนากำลังของสติคอยที่จะพัฒนา ความรู้ความเห็นความเท่าทันจิตใจของเราคอยที่จะดึงใจย้อนกลับมาในภายในอยู่จนเป็นนิสัยซึ่งถ้าเราพัฒนาตัวเราไปจนถึงจุดที่เรามีเก่ใจที่เราจะคอยบอกสอนตัวเองอยู่บ่อยๆพูดง่ายๆคือได้นิสัยอันใหม่เกิดขึ้น นิสัยที่เราจะย้อนใจกลับมาเป็นอัตโนมัติถึงมันจะไม่ได้ย้อนแล้วก็ตั้งเที่ยงตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดเวลาก็ตามแต่อย่างน้อยเราก็จะเห็นคุณค่าว่าการที่เราส่งใจออกข้างนอกมันพาแต่เรื่องวุ่นวายมาให้เรามันอาจจะเป็นเรื่องสนุกสนานในเบื้องต้นแต่ในทำกลางและในที่สุดก็มีผลเป็นพิษตกค้าง กับจิตใจเหมือนอย่างเราดูหนังฟังเพลงมันก็สนุกเพลิดเลินไปอย่างคนชอบฟังเพลงเศร้าเพลงอะไรนะฟังไปฟังไปก็เพลินไปพอฟังแนละ้วมันเศร้ามากๆเรามีประสบการณ์ที่เรากําลังเศร้าอยู่พอดีมันไม่ได้เป็นอะไรที่ช่วยเยียวยาจิตใจเราได้ล่ะแต่เป็นสิ่งที่เราชอบแค่นั้นเอง ยิ่งฟังก็ยิ่งเศร้ายิ่งเศร้าก็ยิ่งอยากฟังแต่มันไม่ใช่เป็นแนวทางในการที่จะแก้ไขให้จิตใจเรามันหายเศร้าอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชอบก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ใช่บางครั้งมันก็ต้องฝืนฝืนทําในสิ่งที่มันถูกต้องอย่างบางทีเราโดนเรื่อง กระทบใจมาเราเศร้าหมองอบางคนก็ไปกินเหล้าบางเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไปมันก็เป็นแค่วิธีกลบอารมณ์เอาอารมณ์อันอื่นเอาอารมณ์ชอบใจ อ, อันอื่นมาเบียดไว้บังเอาไว้แต่ปัญหามันก็ไม่ได้หายไปไหนซึ่ง อารมณ์ที่มันถูกเติมเข้ามาอารมณ์ยินดีที่ถูกเติมเข้ามามันมันจางคลายไปอารมณ์อันเก่าอารมณ์เศร้าหมองอันเก่ามันก็กลับขึ้นมาใหม่มันก็ไม่ได้หายไปไหนเวลาแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ใช่นักสู้อ่ะเป็นนักหลบ หลบปัญหาแล้วก็ไปเอาอารมณ์อื่นๆมาบังเอาไว้หลอกตัวเองไว้ไม่ให้สู้กับความเป็นจริงแต่คนที่อยากพ้นทุกข์คนที่เขามีความมุ่งมั่นที่จะพ้นทุกข์คุณสมบัติอันหนึ่งก็คือเขาไม่ได้กลัว เขาไม่ได้กลัวทุกข์แล้วเขาก็วิ่งเข้าไปศึกษาความทุกข์คนที่หลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยคือเป็นคนที่ไม่ได้กลัวทุกข์สู้เข้มแข็งแต่คนที่กลัวทุกข์มันก็วิ่งหนีไปเรื่อยๆแล้วก็จะไม่ไม่ได้เข้าใจว่าทุกข์อันนี้ มันมีอะไรเป็นเหตุแล้วเราควรจะแก้ตรงไหนมันถึงจะแก้ปัญหาได้จริงๆก็หนีไปเรื่อยๆแต่ถ้าคนที่ไม่โกรธทุกข์เขาก็ไปเชิญกับความทุกข์แล้วก็พอไปถึงจุดหนึ่งเน่ยเาเรียกว่าเป็นคนที่รู้จักทุกเป็นทุกเป็นมันก็ทุกน้อย แต่คนที่ทุกไม่เป็นมันก็จะทุกข์มากทุกข์มากหน่อยคนที่ทุกข์เป็นก็ทุกข์เท่าที่มันควรจะต้องทุกข์ปวดหัวตัวร้อนเนี่ยมันจะเป็นท้องทุกข์ทุกกายมันก็ทุกข์ไปแต่คนที่ทุกข์ไม่เป็นไม่รู้จักทุกข์เขาก็ทุกข์ใจไปด้วยใจก็ร้อนรนกระสับกระสายดิ้นรนไปแต่คนที่เขา รู้จักทุกแล้วก็ทุกเป็นเขาก็ทุกกายไปแต่เขาก็ไม่ทุกใจแล้วเขาก็รู้วิธีปฏิบัติต่อกายด้วยว่าควรจะทำอะไรต้องกินยาไหมหรือไม่ต้องกินยาแล้วใจเรารักษายัางไงใจเราควรจะผูกควรจะตั้งไว้ตรงไหนตรงไหนที่ไปตั้งเอาไว้แล้วมันยิ่งรร้อนมันทุกข์มาก เราก็หลีกเลี่ยงเอามาตั้งไว้ในที่ที่ควรจะต้องต้องอยู่ฝากใจเอาไว้ก็มีลมหายใจมีคำบริกรรมพุทโธเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเป็นภาพคร่าวๆนะแต่ถ้าจะพูดอย่างนี้ให้มันมากมายเกินไปมันก็ จดไม่หมดจำได้ไม่หมดหรอกแต่สิ่งต่างๆที่พูดให้มันดูเยอะแยะมากมายเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ออกมาจากจุดๆเดียวกันเหมือนต้นไม้อะ่ะมันมีกิ่งมันมีใบยเยอะแยะแต่สุดท้ายมันก็ออกมาจากลำต้นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเรา ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องย้อนกลับมาที่ว่าต้องมาเจอแก่นมันให้ได้ส่วนถ้าเราได้แก่นแล้วเนี่ยมันจะแตกออกไปเป็นกิ่งไหนเป็นใบไหนอันนี้มันมันเป็นศักยภาพของเราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมกาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องพยายามย้อนย้อนมาหาหลักให้มันเจอแก่นของมันคืออะไรแล้วก็ทําให้มันได้ ถ้าทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเอาแกนเอาหลักเอาแกน่นเอาไปพลิกแพลงเอาให้มันเหมาะสมกับสภาพของเราสภาพแวดล้อมของเราเงื่อนไขของเราซึ่งแกนมันแก่นมันก็คือใจที่มันสงบเนี่ยแหละถ้าเราทำใจที่ไม่สงบให้มันสงบได้ เราก็จะรู้ทางแหละว่าจากใจที่มันสงบออกไปไม่สงบเป็นยังไงพอทำอย่างนี้ได้เราก็จะเข้าใจว่าจากที่ไม่สงบทําให้มันสงบเราก็ทําเป็นทาเป็นทาได้ส่วนจะใช้อุบายอันไหนอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับหนปัจจุบันหน้างานแก้แก้ปัญหากันไป อุบายต่างๆวิธีการออกจับทุกข์ต่างๆมันก็มีเอาไว้ใช้เพื่อที่จะดึงใจกลับเข้ามาหาหลักของเรานี่แหละหลักใจคือความสงบเนี่แหละถ้าเราดึงดึงกลับมาไว้ที่หลักใจคือความสงบได้เรารู้นี่เราทาไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นอุบายทางเดินเนี่ยมันก็จะไม่ตายตัวเราก็จะเป็นคนที่ผลิตอุบาย เครื่องนาออกจากทุกให้กับตัวเองได้ไม่ต้องรอพึ่องอุบายจากครูบาอาจารย์โดยถ่ายเดียวเราก็เป็นนักรบนักรบก็ต้องรู้จกักพลิกแพลงสถานการณ์ที่ที่เราเจอใช่ไหมสู้ให้มันได้จังหวะไหนต้องหลบก็หลบจังหวะไหนต้องสู้ก็สู้ แต่ก็อยากจะย้ำอยู่เรื่อยก็คือว่าความรู้สึกตัวนี่อยากให้มันแช่เชือนลรืองหลงไปความรู้สึกตัวก็ขอให้มันชัดให้มันชัดอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่คาบริกรรมอยู่ที่สติเฉพาะหน้าเราเนี่ยแหละพอสติของเรามันชัดความรู้สึกตัวของเราชัด ก็เราก็ให้มันเข้าไปถึงจุดตรงที่ว่ามีสติเฉพาะหน้าใช่ไหมเห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึ่งไม่ได้กายมันก็เป็นอันหนึ่งที่แยกออกจากความรู้สึกที่เราก็ลังดูกำลังรู้อยู่ความรู้สึก ที่ว่าเรากำลังดูกำลังรู้เนี่ยมันก็ถ้าจะพูดคร่าวๆหน่อยก็อาจจะบอกว่าเป็นความเป็นเรามันอยู่ตรงนี้มากกว่ามากกว่าที่เป็นกายเพะฉะนั้นก็พยายามรักษาใจเราอยู่ตรงนี้พยายามให้มีสติเห็นกายอันหนึ่งเห็นความรู้สึกคือใจของเราเอันหนึ่ง แต่ถ้าเราเผลอสติเมื่อไหร่กายกับใจมันก็รวบเป็นอันเดียวกันเราก็จะไม่เห็นกายอันหนึ่งละเราก็จะรู้สึกว่าทั้งหมดเป็นเป็นเราแต่ถ้าเรามีสัมมาสติที่มันเกิดขึ้นอีกย้อนใจเรากลับมาไว้ที่ลงหายใจได้อีกเราก็จะเห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึ่ง ก็พยายามทำอย่างนี้ให้ได้บ่อยๆทำให้มันได้ในทุกๆอิริยาบถของเราไม่ว่าเราจะเดินไม่ว่าเราจะยืนไม่ว่าเราจะไปดดินน้ำไม่ว่าเราจะไปนั่งพักผ่อนเราก็พยายามทำให้สติมันเกิดขึ้นบ่อยๆทำให้สติเกิดขึ้นให้เราเห็นกายน่งเห็นใจหนึ่งให้ได้ ทำจนเป็นนิสัยนี่แหละให้มันซึมเข้าไปให้มันเป็นความเคยชินของใจสร้างความเคยชินสร้างความคุ้นชินสร้างนิสัยให้ใจในแบบใหม่ๆอันนี้แบบใหม่ที่ดีนะไม่ใช่เป็นดีเป็นแบบดี พอเห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึ่งเราก็พยายามประคองสติเอาไว้ประคองสติไว้ไม่ให้มันเคลื่อนไปจากสติเฉพาะหน้าพนอะทำอย่างนั้นได้แล้วเนี่ยเราก็เอาใจปรองไปตรองตามความจริงไปว่าไอ้ที่กายที่มันนั่งอยู่ มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างถ้าบนสุดก็คือผมใช่ไหมถ้าล่างสุดก็คือพื้นเท้าไอสิ่งที่เรียกว่าเราว่าเราตัวเราเนี่ยมันก็มีเท่านี้แหละยาวากว้างสอกหนึ่งหนาคืบหนึ่งแค่นี้แหละ สิ่งที่เรียกว่าผมเรามีความรู้สึกกับมันยังไงวันนี้ฉันทำทรงผมในดีเลยสีผมฉันก็ทำมาอย่างดีแต่ถ้าเราดูเราพิจารณาธรรมชาติของผมให้มันดีเราก็จะเห็นนั่นแหละว่าลองตั้งเอาไว้สักสามวันห้าวันเจ็ดวัน หรือไม่ก็เดือนหนึ่งตั้งเอาไว้เฉยๆนี่แหละไม่ต้องทำอะไรมันก็จะปรากฏความเป็นในแบบที่มันเป็นให้เราดูมันมันเป็นยังไงมันก็สกรปรกไงตั้งทิ่ไว้มันก็แข็งเป็นก้อนมันก็ผมเหนียวใช่ไหมเหนียว มันก็ฝุ่นจัดบา้างผมก้อนมาัางสักพักก็เหม็นใครไม่สาผมสามวันห้าวันเจ็ดวันนี้ไม่ต้องคนอื่นดมหรอกมันก็มีกลิ่นออกมาให้เราดมเวลานอนนี่มันก็ได้กลิ่นผมของตัวเองแล้วว่าโอ้ยไม่ได้หอมอะไรเหม็นฟันไม่แปลงนี่เดี๋ยวว่าแต่วันหนึ่งเลย ครึ่งวันนี้มันก็เริ่มแล้วเริ่มมีกลิ่นแล้วเหมือนตลกเขาชอบเล่นกันนะอ่าปากคนลมหายใจใส่นะดูไปก็ขำๆแต่นั่นแหละคือความเป็นจริงนะว่าจริงๆแล้วปากปากคนมันไม่ได้สะอาดอะไรเป็นของเหม็นของเน่าอย่าง เราปฏิบัติทำเราอยู่ในห้องแอร์มันก็ยังดีหน่อยจะลองปิดแอร์ดูนะนั่งเหงื่อโซมเลยสักพักโน้ยมันไม่ไหวเหนียวตัวขี้เหงื่อขี้ใครก็เต็มนะแต่สำคัญในการที่เราพิจารณาอยู่เนะี่ยสติที่ตั้งเอาไว้เฉพาะหน้าเนี่ย พยายามประคองอไว้ประคองอไว้ด้วยเราไม่ได้ส่งไปทางความคิดทั้งหมดเราส่งความรู้สึกของเราในใจของเราท้ามกลางอกของเราเราก็เอาความรู้สึกนั้นตรองไปว่ามันจริงไหมใจเราเห็นจริงไหมใจเราเห็นตามจริงแบบนั้นหรือเปล่า เรามีหน้าที่สอนใจให้มันเข้าใจให้มันรู้ตามความเป็นจริงลองเปิดหนังออกมานี่ไม่ต้องอะไรเอาของตัวเองก่อนเนี่ยเปิดเข้าไปนี่ก็เจอเนื้อแดงๆเลยเลือดไหลนอออกมาเนี่ยมันเห็นแล้วมันก็ ยังไงอ่ะเขาเรียกว่าเราก็ยังรู้สึกรังเกียจทั้งนี้มันเป็นตัวเรานะเราก็ยังรู้สึกรังเกียจล้วก็รู้สึกถึงความขายะแขยงรู้สึกถึงความน่ากลัวแต่ถ้าลองเอาคนที่เรารู้สึกชอบรักยินดี เราเอามาตั้งเทียบเคียงดูก็ได้อย่างคนนี้โอ้โรักปานจะกลื่นกินกันเลยมาตั้งไว้ตั้งไว้ข้างหน้าเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นลูกเราก็ดีพ่อแม่เราก็ดีคนรักก็ดีเอามาตั้งไว้เวลาที่เราดูเขา เ, เราก็รู้สึกแบบหนึ่งแต่พอเราเปิดหนัง ขลกหนังออกมาศิละคนทีละคนสองคนคนสองคนเนี่ยความรู้สึกที่เราเห็นที่มีมันก็ไม่ได้เท่าเดิมนะจากที่เรารู้สึกว่าเออคนนี้เราเห็นว่าสวยว่าหลอ่อพอเราเปิดหนังออกเห็นเลือดเห็นเนื้อ เห็นเส้นเอ็นความรู้สึกที่มีมันก็เปลี่ยนไปความน่ารักน่าใคร่มันก็จางคลายไปมันก็ไม่ได้มีเท่าเก่าอันนี้มันชี้เห็นอะไรมันชี้เห็นว่าเขาเป็นคนเดิมเป็นคนเก่านั่นเลยแค่เราเอาหนังออกไปแค่นั้นเองทีนี้ก็มีคําถามอยู่ว่า แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบเขาตรงไหนเขาดีเขาสวยเขาหล่อตรงไหนถ้าเราบอกว่าเอาหนังออกแล้วที่เหลือเรารู้สึกไม่ชอบรังเกียจขยะขยงแสดงว่าสิ่งที่เราชอบก็คือผิวหนังสิเพรา ะ, ะนั้นเอาผิวหนังที่เราดึงออกไปเอามาแขวะนเอาไว้เรามีความรู้สึกยังไง เราก็ไม่ได้ชอบเท่าเก่าเท่ากับตอนนี้ก็ยังเป็นเป็นยังสวนหนังอยู่ถูกไหมเพราะหนังมันก็เหมือนอะไรก็เหมือนหนังเสือหนังแมวหนังอะไรที่ก็ามาคึงๆอยู่ตามเพดานนั่นเลยตามฝาผ น, นังนี่แหละไม่ค่อยต่างกันอันนี้ดูยิ่งน่ารังเกียจกว่าซึ่งถ้าเราไม่ได้ชอบตรงหนัง เขาบอกว่าเอาหนังออกไปดูเฉพาะหนังเราก็ไม่ชอบเอาหนังออกไปส่วนที่เหลือเราก็ไม่ชอบแล้วเมื่อก่อนมันคืออะไรไอ้ความรู้สึกยินดีพอใจความรู้สึกที่เออคนนี้มันดีนะสวยนะหลอนนะ ถ้าเราพิจารณาให้ดีมันก็เป็นความถ้าจะเปรียบเทียบ ม, มันก็เหมือนเป็น CPU c อ่ะก็คือใจเราเนี่ยแหละนะถ้าเปรียบเป็นคอมพิวเตอร์ก็คือ CPU ของเรามันประมวลผลผิดพลาดนี่เอง CPU ของเรามันผิดพลาดประมวลผลผิดพลาดไปจากของที่เราพิจารณาดีแล้วเนี่ยเฉพาะหนังเราก็ไม่ชอบ ตอนที่เหลือเนี่ยตอนที่มันไม่มีหนังเราก็ไม่ชอบอ้าแ ส, สดงว่ามันก็ของเก่าของเดิมของอันเดิมของอันเดียวกันมันก็ควรจะมีความรู้สึกที่ไม่ต่างกันแต่อะไรที่มันทําให้มันต่างกันในความรู้สึกมันก็คือใจของเราเนี่ยที่มันมีความเห็นผิด มีความเข้าใจผิดผิดไปความเข้าใจที่ใจมันผิดไปลองตั้งทิ้งไว้ห้าวันเจ็ดวันสิบวันวันมันก็จากแดงๆมันจะคล้ำนะคล้ำขึ้นอื่นขึ้นพองเลยแหละีนีนเราปล่อยไว้มันจะมีหนอน ึ้อยเยื้ เ, เต็มไปหมดนันอันนั้นมันยิ่งแสดงความเป็นจริงให้เราเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่มันเป็นของบุตรเน่าอ่ะตั้งทิิงไว้ก็เป็นของบุตรเน่าไว้ไม่ใช่ของสวยสดงดงามอย่างที่ที่ซ p u ประมวลผิดพลาดอย่างเต่า จากใจที่เราเคยเห็นถึงความว่ามันสวยงามเป็นของดีเป็นของสะอาดแต่พอเราพิจารณาแล้วเนี่ยเราเริ่มเห็นเป็นของที่โสโครบเป็นปฏิกูลเป็นของหน้าขยะข ย, ยงังเกียงก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละก้อนเดิม ก็เทียบเคียงกันไปนะเอาใจเราเนี่ยเทียบเคียงไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นถึงว่าก้อนเดิมนี่ยแหละทําไมมันมีสองความรู้สึกได้ยังไงแสดงว่าไอ้ใจของเราที่ท่ามกลางอกเนี่ยแหละ ม, มันเป็นตัวที่เป็นตัวแสบตัวแสบ มันเป็นตัวที่เปลี่ยนประมวลผลให้มันดีก็ได้ประมวลผลแล้วมันเป็นพิษต่อใจก็ได้ทีนี้พอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ดีคนอื่นก็ดีทีนี้เราลองเอาเอาสัตว์เลี้ยงในบ้านเราก็ได้เอามันตั้งไว้ด้วยตั้งเอาไว้มันน่ารักไง หมาก็ดีแมวก็ดีที่เราเลี้ยงไว้มันก็น่ารักดีทำเหมือนกันแหละขลกหนังออกมันก็ไม่ได่น่ารักเท่าเก่าแล้วใช่ไมแล้วลองคิดดูว่าถ้าถ้าเรามีเหมือนเครื่องบดเครื่องบดใหญ่ยักษ์เลยอันหนึ่งโยนคนรักเราลงไปด้วย โยนสัตว์เลี้ยงเราลงไปด้วยเอาตัวเราโยนลงไปด้วยแล้วบทให้ดีเลยบทปังนน้มันละเอียดเลยพอเทออกมาปึ๊บในส่วนผสมอันนั้นนะ่ะเราสามารถแยกออกได้ไหมว่าอันนี้เป็นเศษเนื้อของสัตว์เลี้ยงของเรา อันนี้เป็นเลือดเฉพาะของของเรานะไม่ใช่ของใครมันแยกไม่ออกแล้วปนเปกันไปหมดทั้งหมาทั้งแมวทั้งคนทั้งอะไรมันแยกไม่ออกแล้วแล้วเราระบุได้ไหมว่าอันนี้เป็นของคนชิ้นนี้เป็นของหมาชิ้นนี้เป็นของแมว เราก็ระบุไม่ได้เราระบุได้อย่างเดียวคือมันก็เป็นเศษเนื้อเศษเลือดเศษกระดูกที่มันป่นน้อยซึ่งถ้าจะให้ดีเราเราเอายนเข้าไปในเตาเผาด้วย ส, สักทีนึ่งสิ่งที่มันเป็นของเหลวก็เลยเขยไปนะก็เหลือเท่าฐานนั่นแหละดำดำ แล้วมันบอกได้ไหมว่าไอ้กองเท่าฐานเนี่ยเรียกว่าแมวเรียกว่าหมาหรืออันนี้เป็นเท่าฐานที่เรียกว่าคนก็เรียกไม่ได้ถ้าเอาใครสักคนหนึ่งผ่านมาแล้วก็ชี้เขาดูเขาก็ต้องบอกกองคีเท่าเขาไม่ได้บอกว่าอ๋ออันนี้คือคนนะไม่ได้บอก เฉะนั้นไอความเป็นคนความเป็นสัตว์มันอยู่ตรงไหนมันก็ไม่มีเหลือไม่มีเหลืออีกต่อไปมันก็เป็นเหลือแค่แค่เศษดินถ้าเทียบไปก็เหมือนเป็นดินกองหนึ่งเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นหมูหมากลาไก่เป็นคนเป็นเด็กเป็นผู้หญิง เป็นผู้ชายยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายมันก็เหลือเป็นกองดินกองหนึ่งเท่านั้นเองความเป็นคนความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลเนี่ยมันมีแค่ชั่วระยะเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละไม่นานก็ชั่วชีวิตคนคนหนึ่งช่วชีวิตสัตว์ตนหนึ่งเท่านั้นเอง สุดท้ายพอมันตายไปมันก็คืนกลับไปสู่ความเป็นธรรมชาติของเขาก็คือเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเพรา ะ, ะเราจะเห็นได้ว่ามันไม่มีความเป็นคนเป็นสัตว์ที่มันยั่งยืนถาวรหรอกพอตายไปปุ๊บมันก็กลายเป็นกองดินเหลืออยู่ มันจะเรียกว่าเป็นเราเป็นสัตว์เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงถ้าตอนมันเป็นก้อนดินแล้วเรียกไม่ได้แหละเพราะฉะนั้นมันไม่มีความเป็นคนเป็นสัตว์จที่ยงแท้หรอกแต่ตอนนี้เรายังมีสมมุติที่เรียกว่าเป็นคนอยู่แล้วก็ใช้ให้มันดีใช้ให้มันเกิดประโยชน์ ใช้ให้มันพาตัวเองพาใจเราให้มันพ้นทุกข์ให้มันได้ให้มันหลุดออกจากสังสารวัตนี้ให้มันได้ทีนี้ถ้ามันเห็นถึงความไม่มีแก่นสารแบบนี้แล้วเราก็จะฝากใจเราไว้ที่ไหนได้ ก็ฝากใจเราไว้ที่สติเฉพาะหน้านี่แหละเพราะฉะนั้นก็ดึงใจเรากลับมาไว้ที่สติเฉพาะหน้าพิจารณาแล้วเราก็กลับมาพักที่ตรงนี้ปล่อยวางอารมณ์ที่เราพิจารณาแล้วเราก็ปล่อยวางมาไว้ที่สติที่ลมหายใจของเรา ยกความรู้สึกที่ว่ามันเป็ น, เ ป, นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนะี่ยปล่อยมันไปเอาความรู้สึก น, นั้นมาฝากไว้ที่ที่ลมหายใจที่สติเฉพาะหน้านี้เราก็จะได้เห็นว่าเวลาที่ใจเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับสติเฉพาะหน้าเนี่ยมันเบาสบาย มันไม่หนักมันไม่หนักมันที่เราไปยึดถือว่าอันนี้เป็นเรานี่เป็นเขาเวลาที่ใจเราอยู่กับสติเฉพาะหน้าจริงๆเนี่ยมันเบามันมันว่างมันสบายแล้วก็ลองหัดพิจะะนารณาดูทำให้ชำนาญอาจจะเหนื่อยๆฝึกๆหน่อยก็ ทำไปเรื่อยๆทําบ่อยๆมันก็ได้สำคัญก็คือที่ใจนี่แหละพยายามให้ใจมันตรองไปตรองตามความเป็นจริงเหล่านี้ไปแล้วเวลาแล้วที่เราจะปล่อยก็ไม่ได้ปล่อยยากเย็นอะไรปล่อยอารมณ์ในใจตรงนั้นกลับมาไว้ที่สติเฉพาะหน้า ฝากใจฝากความเป็นเราไว้ที่สติ